ระเจริพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะพวกเราทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความต่างวัยต่างเพศต่างภาษาหรือต่างศาสนาต่างความเชื่อแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือว่า ความปรารถนาให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ห่างไกลจากความทุกข์เวลาเราทําบุญนะเราก็อย่างหนึ่งที่เราภาวนาหรือทิฏฐานก็คือขอให้ปลอดภัยจากอันตรายภายัยใดๆไม่แบบเท่าพานประสบแต่ความสุขความสําเร็จแต่ไม่ว่าเราจะมีความปรารถนาแรงกล้าเปลนใจ หรือว่าพยายามทําบุญสร้างความดีเพงใดสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอต้องเจอไม่มีทางหลีกพ้นจะเราเป็นธรรมดาของชีวิตก็ได้ ในบสทสวดธรรมวัตรเช้าเนี่ยจะมีข้อควา ม, มบอกว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่่งเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เต็เบื้องหน้าแล้วจึงอยู่ข้างหน้าก็มีความสุขรอเราอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีความทุกข์นะอยู่เคียงพู้หรือเคียงข้างกันจะก่อหรือหลังก็ได้ทั้งนั้น ม่วจะเป็นความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียพัดพร่านะความเสื่อมจากของรักของชอตใจทําการงานก็ต้องจออุปสรรความล้มเหลวมีทรัพย์นะก็ต้องเสื่มจากทัพยนะ์มียศก็เสื่อมจากยศ เราเรียกรวมๆกันว่าทุกนะอันนี้ถ้าเรามองว่ามันเป็นข่าวร้ายนะมันก็มีข่าวดีที่มาคู่กันก็คือว่าทุกทั้งรายเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะมันเป็นอนิจจังแล้วข่าวดีประการที่สองก็คือว่า ถึงแม้จะทุกข์กายถึงแม้จะเสียทรัพย์ถึงแม้จะสูญคนรักแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้นะแม้ต้องเจ็บต้องป่วยนะแต่ปวยแค่กายนะเจ็บแค่กายใจไม่ทุกข์เนี่ยทําได้อันนี้คือขาวดีนะ ก็ถือว่าเราสามารถจะรักษาใจให้เป็นปกติหรือเป็นสุขได้ไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือกับสิ่งที่เรารักกับคนที่เรารักก็ตามอะไรเกิดขึ้นกับเราใจไม่ทุกข์ก็ได้ ที่ทุกข์เพราะอะไรนะที่ทุกข์เพราะว่าใจไม่ยอมรับใจต่อต้านใจผลักไสตรงนี้เป็นเป็เหตุส ำ, สำคัญหรือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนทุกใจถ้าใจไม่ยอมรับใจไม่ใจผลักไสแล้วเนี่ยแม้ว่าจะได้โชคได้รากมา โดยแม้ว่าจะมีความสุขสบายทางกายก็ยังเป็นทุกข์หลายคนเป็นทุกข์ก็เพราะว่ายัางได้น้อยไปยังมีน้อยไปเท่าที่มีเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนี่เราไม่ยอมรับและใจที่ไม่ยอมรับใจที่ผลักใสเนี่ยมันก็ทำให้เป็นทุกข์ โดยที่ไม่รู้ตัวผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะขโมยทรัพย์ของเราไปโกงเงินของเราไปแต่เขาไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้ ความทุกข์ใจนี่ไม่มีใครทำให้ได้เลยนอกจากตัวเราเองอันนี้แหละคือแง่หนึ่งของการทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัวพรทธเจ้าจัสว่าคนพาลปัญญาสามย่อมทํากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูคนพาลปัญญาสามเนี่ยย่อมทากับตัวเองเหมือนกับเป็นศัตรู หมายความว่ายังไงหมายความว่าในด้านหนึ่งเนี่ยนะคนผ่านปัญญาศาสก็ย่อมทําชั่วผิดศีลรักขโมยหรือผิดในการฆ่าคนฆ่าสัตว์เนี่ยอันเนี้ยก็คือการสร้างวิบากสร้างกรรมหรือว่าสร้างทุกข์ให้กับตัวเองเพราะเมื่อทําไปแล้วเนี่ยย่เกิดทุกข์ตามมาแต่ถึงไม่จะเป็นคนที่มีศีล น, นะ ไม่ได้ไปเดยดเบียนใครเลยนะแต่เวลาสูญเสียเวลาพัดพรากแล้วเนี่ยมีความทุกข์จมปรับอยู่ในความทุกข์ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหรือว่าเวลามีคนมาต่อว่าดาทอก็โกรธนะเกลียดเมื่อได้ตามที่เราปล่อยให้ความโกรธความเกลียดมาครองใจแถมยังถนอมรักษามันเอาไว้เนี่ย อันนั้นเรียกว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองอันนั้นเรียกว่าเรากำลังทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูถ้าเรารักตัวเองจริงเนี่ยเราต้องไม่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดหรือว่าความเศร้าเนี่ยมาครอบ ง, งำย่ำดนีจิตใจเพราะว่าทำเช่นนั้นก็ทำให้เจ็บป่วยทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทำให้ความดันขึ้นมางทีทําให้เซลล์ในสมองแตกนีอันนี้เราทำร้ายตัวเองหรืออย่าตงตามๆก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ก็เหมือนกับว่าไม่รักตัวเองทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูถ้ารักตัวเองเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะปลดเปื้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรากับร่างกายของเรากับทรัพย์สินเงินทองของเรา กับคนที่เรารักนะเราก็จะพยายามรักษาใจไม่ให้ทุกขนะ์ผู้เจ้าจัดว่ามือที่ไม่เป็นแผลนะจะต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายนะมันจะเป็นอันตรายต่อเมื่อมือมีอมอแผลนะยาพิษก็จะซึมเข้ามาสู่กระแสะเลือดแล้วทำร้ายตัวเองได้ มือที่ไม่ไม่มีแผลก็คือใจนะที่มีสตินะเป็รื่อรักษาไม่ว่าเจออะไรมากระทบมันก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ไม่ได้เจอความต่อว่าดอนท้อเจอความส่วนเสพคร่ามมันก็กระทบได้แต่หูมันก็กระทบได้แ ต, หแต่หรือเกิดขึ้นได้กับทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่สามารถจะกระเติ้ไปถึงใจได้ เพราะวัดใจเนี่ยมีธรรมะเป็นเครื่องรักษาก็เปรียบเหมือนกับมือที่ไม่ิีแผลชีวิตเราเนี่ยนะเรามีความทุกข์ไม่พนนะความทุกข์ก็เปรียบได้เหมือนกับยาพิษนะแต่ว่ายาพิษเนี่ยมันทำลายใจเราไม่ได้มันทำลายมือเราไม่ได้เพราะมือเราไม่ิีแผลใช่ไหมถ้าใจเราเนี่ยนะใจเราเนี่ยมีธรรมะเป็นเครื่องรักษาแม่จะอยู่ท่ามกลางความทุกข์ ความทุกข์มันมาสัมผัสที่กายความทุกข์มันมาเกิดขึ้นกับคนรักเกิดกับทรัพย์สมบัตินะแต่ว่าใจก็ไม่เป็นทุกข์นะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราทุกคนทำได้นะอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่ใ จ, จก็ไม่เป็นทุกข์นะมีเสียงดังยังไงใจล้วก็เป็นปกติได้นะ mm hmm. ใช่ไหม เสียงไม่ทำให้เราทุกข์นะใจที่ผลักใส่เสียงนั้นทำให้เป็นทุกข์เสียงเมื่อกี้พร้อมไหมพร้อมใช่เบาหรือเปล่าก็เบาใช่แต่พอใจเราไม่ชอบนะเป็นทุกข์เลยนะแต่ถ้าใจเราชอบหรือใจเรายอมรับได้นะสงบอาตอมาเคยไปสังเวชธานีสถานนะ พุทธกยาพุทธคยาเนี่ยเห็มีคนไปเยอะมากไม่ใช่ว่าคนไทยนะคนพมากกา่าทังกาเขมนฝรั่งที่เบตเวลาเนี่ยเวลาใครไปพุทธิยาเนี่ยพุทธคยยาถ้าอยากจะไปหาที่ที่สงบเนี่ยนะอาจจะผิดหวังเพราะว่าคนเนี่ยพุกพลาดมากคนเป็นพันเป็นหมืน่นแล้วก็เสียงระงนนะระงงด้วยเสียงสวดมนต์นะคนไทยไปแต่ละกลุ่มก็สวดมนต์ นะสวดปากปล่าไมพอมีเครื่องขยายเสียงแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวนะมีหลายกลุ่มนะส่วนเสร็จก็ม า, าสชวทริปิโซเสร็จก็มาทำวัชาช้าวัดเย็นกันนะที่ข้างๆตนประสีมหาโพธิ์แล้วโเฉพาะกลุ่มคนไทยนะยังมีพระมาลังกามีที่เบ็ต่างแข่งกันส่งเสียงสวดมนต์นะแต่ อาสมาตังเกตนะเพื่เราจะเคยเห็นนะมีคนเป็น1ิษย์เลยนะนั่งสงบนั่งสงบแล้วก็นั่งสมาธิเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ยินเสียงดังเหล่านั้นเลยแต่ถามว่าเขาไม่ได้ยินก็ผงไม่ใช่เขาได้ยินแต่ทำไมเขายังสงบได้เพราะเขารู้สึกเขาไม่รู้สึกลบกับเสียงที่ดังต่เขายอมรับเสียงเหล่านั้น ทั้งที่ระดับเดซิเบลนี่ก็อาจจะสูงมากนะอาจจะเป็นร้อยเเดซิเบลถ้าากว่าเสียงระดับเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเสียงสดมนแต่เป็นเสียงแม่ค้าหรือว่าเสียงรถยนต์เนี่ยหลายคนคงจะทำใจสงบไม่ได้เสียงเดียวกันแต่เป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงที่เราจะได้ยินเวลาลงแป้งข้างล่างเนี่ยตอนสี่ลมเนี่ย เสียงมันดังมากนะหลายคนเนี่ยจะนั่งให้สงบคงจะน่าได้ยากแต่ทําไมเสียงดังระดับเดียวกันที่พุทตขยาเนี่ยคนถึงสงบได้เพราะใจเขายอมรับใจเขายอมรับใจเขาไม่ผักสายเสียงนะเพราะล้วนเปเสียงแห่งศรัทธาเสียงแห่งการสารเสริญคุณพระตนตรนะ์ไตรจิตใจก็เลยสงบไม่เป็นทุกขนะ์เพราะฉะนั้นแหเสียงจริงไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือใจนะที่ผลักสายใจที่ไม่ยอมรับใจที่ไม่มีสตนะิไม่ใช่แค่ความทุกข์เพราะเสียงเท่านั้นนะแต่ว่าเหตุการณ์อื่นก็เหมือนกันนะมันเกิดขึ้นกับเราอย่างไรถ้าใจเราเนี่ยไม่ผลักสายไม่ปฏิเสธใจเรายอมรับมันได้เนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นั่นจึงพูดได้ว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากใครนะมากเท่ากับ การที่เราวางใจไม่ถูกต้องอาจารย์ชาสโรพูดได้น่าน่าที่เดือดทบอกว่าไม่มีใครหรือไม่มีอะไรที่จะบังคับเราให้เป็นทุกข์บังคับเราให้ไม่พอใจได้เขาเพียงแต่มาเชิญมาชวนให้เราไม่พอใจให้เราทุกข์อยู่ที่ว่าเราจะรับคําชวนรับคาเชิญหรือเปล่าถ้าสมมุติเรารับคําชวนคําเชิญเนี่ยเราจะโทษใครนะ ก็ต้องโทษตัวเองใช่ไหมที่ไปไปรับคําเชิญไปรับคําชวนของเขานะคําต่อว่าดาทอเนี่ยทำได้อย่างมากก็คือมาชวนให้เราโกรธมาชวนให้เราโมโหนะแต่ขึ้นที่คําว่าชวนเนี่ยแปลว่าเราเราไม่รับก็ได้นะแต่ถ้าเราโกรธเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราไปรับคําชวนก็เองเก็ต้องไปโทษตัวเรานะเรื่องที่ หลวงปูุ่าท่านเคยสอนเศษของท่านนะหลายคนจะเคยได้ฟังเทตมาเล่ามาแล้วนะหลวงปูุ่ดาเนี่ยท่านอายุท่านตอยท่านมรณภาพประมาณร้อยปีเรื่องน้นเกิดขึ้นมาสักห้าสิบหกสิปีมาแล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านได้รับมดกให้ไปชานเพลนในบ้านโยมที่กรุงเทพ ชันเสร็จท่านจะกลับวัดที่สิงบุรีโยมก็บอกว่าท่านชราแล้วขอให้ท่านจําวัดก่อนพักก่อนเพราะสมัย ก, ก่อนเี่ไปสิงบุรีเป็นไกลก็หาห้องให้ท่านพักลูกศิษย์ก็มาน่งเป็นเพื่อนเวลาลูกศิษย์จะคุยกันก็น ก, กระซิบกระซาไม่อยากรบกวนท่านแต่เมืเ่อห้องที่ติด ก, กันเนี่ยห้องแถวเนี่ยนะอีกห้องนี่ก็เป็นห้องเป็นร้านชาร้านโชว์หวยนะ เจ้าของเป็นอาซิ่งคนจีนสมัยก่อนเนี่ยก็สมเกีย้ยสมเกีย้ยวไม้เนี่ยนะเวลาเดินนี่ก็ดังนีย่ยิ่งขึ้นลงในใดยิ่งก็ดังเสียงก็ดังเข้ามาในห้องที่หลวงปู่บุญดาวัดจจอยู่รู้สึกก็ไม่ผ่อนใจเนะี่ยก็บนขึ้นมาเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านหลับตาแต่ท่านไม่ได้หลับไปนะท่านก็ได้ยินท่านกิดเปิดขึ้นมาเบาๆ ว, ว, ว่าขเขาเดินของเขาอยู่ดีๆ เราหูไปลองเกี him, ้ยเขาเองเราเสียงไม่ทําให้ทุกข์นะแต่เพราะหูเนี่ไปลองเกี้ยทุกข์ใช่ไหมแล้วที่หูไปลองเกี้ยเพราะหูไม่มีสติใช่ไหมอย่าไปโทษเสียงก็ไปโทษว่าทําไมหูหาเรื่องนะอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นไม่ว่าเราจะหนีอย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องเจอเหมนอย่างข่ามันจะมาในรูปใดเราก็ไม่รู้ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถามว่าเราควรทำอย่างไรนะในแง่ของฌา พ, พุตเนี่ยนะอย่างแรกที่คนททำก็คือรักษาใจให้เป็นปกติไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแม้จะไม่น่าพอใจแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยหากว่าจิตเราตกเราก็ต้องย ก, ยกจิตของเราขึ้นมา เ, เหมือนกับพุทธภาสิต ท, ที่เรา ที่เขียนตรงปลายพิณ า, น, านี่นะเมื่อติตตกก็ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตเป็นทุกข์ก็ต้องรักษาจิตไม่ให้เป็นทุกข์นะและทําเราสามารถจะทําได้ดีกว่านั้นก็คือว่าหาประโยชน์จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้เป็นหลัก2ประการเลยนะเวลามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราจนทําให้เราทําให้จิตใจเราตกต่ำย่าแย่เนี่ย ถ้าราักตัวเองเนี่ยเราต้องพยายามดึงจิตของเราขึ้นมารักษาใจไม่ให้ทุกข์และสองหาประโยชน์จากมันให้ได้เพราะถ้าไม่หาประโยชน์จากมันก็เรียกว่าเสมอตัวแต่ถ้าปล่อยใจให้ทุกข์ด้วยเนี่ยเรียกว่าขาดทุนอย่นะเวลาเราเจอทุกข์เนี่ยอย่างแรกที่เราควรทำก็คือว่าอย่าขาดทุนเสียเงินไปแล้วเนี่ยอย่าเสียใจ บางคนเนี่ยนะจริงๆไม่ใชบางคนส่วนใหญ่เนียพอเสียเงินปุ๊บเนี่ยเพราะว่าเงินหายหรือถูกโกงใจเสียพอใจเสียเนี่ยกินไม่ได้าเราไม่หลับสุขภาพก็เสียตามมาด้วยไม่เป็นการทำงานถึงแม้ไม่ป่วยแต่ว่าไม่มีกระติกกระจทาทำงานงานก็เสีย นะมีบางคนเนี่ยถูกเพื่อนโกงเงิไปแนละ้วโอ้ไม่เป็นกนะารทำงานเลยนะคิดถึงแต่เงินที่หายไปถูกโกงไปนะเสียงานนะแล้วพองหงุดหงิดสะสมมากเข้าเนี่ยเพื่อนมาหยอกมาล้อก็โมโ ห, โหด่าเพื่อนเสียเพื่อนอีกนะแล้วก็อาจจะถ้าเป็นลูกก็เสียเกิดการทะเลาะว่อนบ่แย้งกันเสียสมรรถภาพาะนะ เนี่ยขาดทุนเป็นแบบยอดรายในรายหน้าเลยนะจากเสียเงินก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนอย่างนี้เรียกว่าทําลายตัวเองไหมคนที่โกงเงินเราไปเนี่ยเขาทําให้เราเสียใจไม่ได้เขาทำให้เราเสียสุขภาพไม่ได้เขาทาให้เราเสียงานไม่ได้หรอกเขาไม่สามารถทําให้เราเสียเพื่อนได้มีแต่เราเท่านั้นแหละที่จะทําเสียสี่เสียนี้ได้ อันนี้เราทำรายตัวเองอันนี้เราขัดถุนแต่คนที่ฉลาดเนี่ยนะจะ ต, ต้องนอกจากจะไม่เสียสี่อย่างนี้แล้วเนี่ยคือเสียใจเสียสุขภาพเสียเพื่อนเสียงานเยยัยงสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้ด้วยคราวนี้ทำอย่างไรนะเราถึงจะรักษาใจไม่ให้ถูกนะอย่างแรกเนี่ยที่ธรมาบอกคือการยอมรับนะการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ปวดไม่ตีโพยตีพายไม่โวยวายนะเพราะการปวดติโพยตีโคติพายเนี่ยโวยวายเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยจิตใจแย่แย่ขึ้นป่วยกายเช่นไม่สบายเนี่ยนะพอติปวยติภายนะหรือว่าวิตรกกังวลนะมันป่วยอย่งเงี้ยป่วยใจเลยและป่วยใจเนี่ยทาให้ป่วยกายหนักขึ้นนะมีคนหนึ่งนี่ย ค, คุณป้าเนี่ยป่วยไม่สบายไปหาหมอเขาเข า, ขาออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งไม่รู้เป็นอะไรจนทั้งวันหนึ่งหมอบอกป้ า, ป, าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3าเดือนก็ตกใจมากนะช็อกเลยบอกว่ากลับไปบ้านอยู่ได้แค่12วันก็ตายถามว่าถามว่ามะเร็งมะลุกร า, ามเร็วจนตายใน12วันหรือเปล่า มะเร็งก็ยังค่อยๆไป ค, ค่อยๆขยายค่อยโตบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งตัดแต่อยู่ได้5ปี6ปีบางคนอยู่ได้10ปีนะแต่ทำไมาตายเราจุดสองมาท่านั้นนะใจใจไม่ยอมรับใจใจปฏิเสธผักใสใจตื่นกลัวจนทำให้หมดอะไราตายอยากกับชีวิตนะหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่กับสรภารตายนะพอใจแย่เนี่ยร่างกายก็พลอยแย่ สิองวัฒ น, นาก็ตายอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะใจเนี่ยไม่ยอมรับความจริงแต่คนที่เขามีสติเนี่ยก็จะยอมรับความจริงมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะไม่สร้างเติมตัวเองมันเกิดขึ้นแล้วจะบน่นจะโวยวายตีโวยตีพายจะคนดาชะตากรรมไปทําไมมีแต่ทําให้ทุกข์ใจเปล่าๆเนี่ย และการยอมรับเนี่ยมันช่วยทำให้เราสามารถอยู่กับความทุกข์ได้มีผู้ชายมันจะเป็นมะเร็งที่ใบหน้านะมะเร็งนี่ยมันกินไปถึงกินกับแก้มแก้แล้วก็จมูกแล้วก็ปากมะเร็งที่ใบหน้าเนี่ยมันหายยากแต่ว่าเกิดขึ้นกับใครมันปวดมากเลยนะและปวดทั้งกายปวดทั้งใจปวดใจเพราะว่าเสียโฉม การเดยอกันก็โรกแบบนี้เนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะว่าเจอแดดเนี่ยมันมันจะไม่เป็นติกริยากับแดดทำให้ปวดมากนะต้องปวดกายแล้วก็ปวดใจที่เสียโฉมเนี่ยใครๆก็ดูรังเกียจเนี่ยก็ทำให้แย่แล้วโรคชีดเนี่ยไปแล้วก็ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ให้แดดเข้าไม่ให้แดดส่องเข้ามาก็ถ้าวัาตัดขาดจากโรกภายนอกจิตใจก็ยแย่ ในอเมริกาคนที่ฆ่าตัวตายเพราะมะเร็งใบหน้าเนี่ยนยะมีถึงหนึ่งในสีแต่หมอคนนึงเนี่ยนะแกจะมอบหมายไปเยี่ยมคนไข้คนเนี้แกหนักใจทัไปหมกเป็นหมาผู้หญิงเพราะว่ารู้ดีแล้วคนไข้แบบนี้เนี่ยก็จะมีความโกรธก็่ะมีความเครียกก็จะมีความกดทู่มากสารพัดแต่พอไปเจอคนไข้คนนี้ที่บ้านเนี่ยผิดคาดเพราะว่า แก่โอภาบปลาสาดีมากประโยคแรกก็ถามหมอเลยว่าหมอสบายดีไหมเวลาถามอันนี้แสดงว่าเออ mm hmm. เขาเป็นคนที่คงไม่ถึงอารมณ์เสียถ้าถามว่ามาทําไมเนี่ยอันนี้แย่นะ mm hmm. หมอสบายหมอเป็นไงสบายดีไหม mm hmm. ก็อภาบาสายดีนะแกดูไม่มีข้าของความเครียดความโกรธนะคุยไปคุยมาแกก็บอกว่าเนี่ยแกตอนที่ยังหงมเนี่ยแก ชอบกินล่าสูบบุหรี่นะการที่กินล่าสูบบุหรี่เนี่ยนะมันทําให้แกเนี่ยมีชีวิตที่เรียกว่าแกสำเร็จทีมมาตั้ ง, งแต่หนุ่มเลยนะมีครอบครัวครอบครัวก็แฟนก็ทิ้งลูกก็ต้องไปอยู่กับเมียการที่เจอการ ท, ารที่การที่แกหัวเราเลือกว่าเนี่ยมีพฤติกรรมเสี่ยงแบบนี้มันทําให้แกเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยทำไมถึงเป็นมะเร็ง แตว่าเหตุผลสมคัญทําให้แกอยู่กับมาเลงได้เนี่ยโดยที่ไม่ทุกข์ทรมานคือแกบอกว่าว่างๆแกวันทั้งวัดแกไม่ได้ทําอะไรมากแกก็เปิดโทรทัศน์และช่องที่แกดูบ่อยเนี่ยคือช่อง C ีเแล้วีเอ็นเอนเนี่ยมันก็เป็นสถานีข่าวนะก็มีแต่ข่าวทั่วโลกแล้วก็ข่าวจํานวนมากก็เป็นข่าวเกี่ยวกับฝนแรงน้ําท่วมทหายที่บาดแผ่นดินไว นะโรกระ บ, บาดอัจฉริกรรมระเบิดการกรอ่อการร้ายสงครามแกดูไปดูไปเนี่ยแต่ก็ได้คิดเลยเนาะเออความทุกข์ยังเป็นธรรมดาของมนุษย์นะไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจนเนี่ยรวยแล้วจะหนีความทุกข์ไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในรูปใดรูปหนึ่งแกคิดไปคิดไปแกก็ก็มาโยองตัวเองว่า ให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับแกตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนของความทุกข์ที่เกิดกับมนุษย์ผู้อีกย่างหนงแกก็ความทุกข์เกิดขึ้นกับแกเป็นธรรมดาใครๆเขาก็เป็นกันตอนัอที่แบบนี้เนี่ยทําให้แกยอมรับมะเร็งที่เกิดขึ้นกับแกได้แล้วแกก็ถึงแม้ปวดนะแต่แกก็ไม่ได้ทุกใจอะไรแกก็อยู่กับมะเร็งได้ อย่างที่ไม่ทุกข์ทรมานอย่างเดียที่แกแกลูกอแกต้องตายนะแต่แกอย่างเดียที่แ ก, กพยายามทาคือว่าพยายามอยู่พยายามรักษาตัวให้ดีที่สุดเพื่อจะอยู่ได้นานๆจะได้มีเวลาอยู่กับลูกให้มากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมามนไม่ค่อได้อยู่กลูกเลยหมอบอกว่าแ ก, กจริงได้แค่สเดือน6เดือนเท่านั้นแต่ที่อยได้เป็นปีส่วนเพราะว่าใจของแกเนี่ยที่แกไม่ทุกข์ทรมานทําให้แกเนี่ยสามารถจะอยู่ได้นา น, าน นี่ก็เป็นตัวอย่างคนที่เขาพอเขายอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้เนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เกิดกับเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เขาทุกข์ทรมานมากถึงแม้เจ็บปวดแต่ว่าใจไม่ถุกนะประการต่อมาคือว่ารู้จักปล่อยวางนะเวลาส่วนใหญ่เวลาเราทุกข์เนี่ยนะความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ย มันก็เพราะการที่เราไปจดจ่อไปไปแบกนะกับไปแบกไปยึดสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือแม้แต่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยถ้าไม่ไปแบกนะไม่ไปนึกถึงมันบ่อยๆเราก็ไม่ทุกนะอันนี้เป็นคำสอนหนึ่งเนี่ยที่พุทธเจ้าเนี่ยได้ได้สอนภาษาวกคราวหนึ่งพระพระโกริออล ม, มาเนี่ยนะ ได้ไปเจอพระลูกงชื่อว่าพระนันทิยพระนันทิยะเนี่ท่านเป็นลูกเศรษฐีนะแล้วก็มาบวชในสัทธาชีวิตท่านน่าสนใจนะแต่ว่าแต่พูดเฉพาะสั้นๆตอนที่มีการสนทนากันระหว่างพระองคุลิมมานกับพระนันทิยะองคุลิมมาถามพระนันทิยาว่าผู้เจ้าสอนอะไรท่านตอนนั้นพระองคุลิมานขึ้นบวชผู้เจ้าสอนอะไรท่านพระนันทิยาก็ตอบว่าพระผู้มีพระเจ้าสอนว่าให้ปล่อยให้วาง ทั้งข้างหน้าข้างหลังและทั้งกลางก็คือว่านะไม่ยึดติดในอารมณ์ที่เป็นปอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ใดที่พอใจก็ตามไม่น่าพอใจก็ตามก็ให้ปล่อยวางให้เป็นกองกองนะใครด่าว่าเราบนบกก็ให้วางไว้ตรงนั้นอย่าเอาลงน้ำใครด่าว่าเราเห็นน้ำก็วางไว้ตรงนั้นอย่าเอาขึ้นบก ทายพระด่าว่าเราในเมืองก็วางววาตรงนั้นอย่าแบกไฟเชโตัววันเนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆนะหรือว่าเป็นบทสรุปนะของการกัรละเมอความทุกข์หรือว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจปล่อยวางปล่อยวางนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ใส่ใจนะบางครั้งเนี่ยเราทำงานแล้วก็มีปัญหานะ แต่ถ้าเราแบกปัญหาไว้ตลอดเวลาเนี่ยเราจะทุกข์เราจะพุ่นใจนะถึงเวลาเราก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างเช่นเวลากินข้าวเวลานอนเวลาอยู่กับลูกก็ต้องวางภาระการงานต่างๆก็วางนะเดีย๋ยวนี้วางกันได้เป็นนะหรือวางกัไม่ได้หลายคนเนี่ยนะมาพู้กตา ม, มาเนะี่ยเวลาทำงานก็นึกถึงลูกห่วงลูก เวลาอยู่กับลูกก็นึถึงงานนะเวลาจะนอนก็นึกถึงงานจะนอนไม่หลับแค่เวลาไปทํา ง, งานเขาโวงนอนก็ไม่ได้ น, นอนเนี่ยนะคือเวลาอยู่กับเวลาเวลาทํา ง, งานเนี่ยก็วางวางลูกวางเรื่องลูกไว้ก่อนใช่ั้มทํา ง, งานเต็มที่นะเวลากลับมาที่บ้านอยู่กับลูกก็ใจก็อยู่กับลูกเต็มร้อยนะวางเรื่องงานแค่เนี่ยคุณจะรู้สึกเลยนะว่า เนี่ยมันมันเบามันเบาลงนะรู้จักวางใช่บ้างแล้วถ้าคุณรู้จักวางเนี่ยปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่ปัญหาที่ทำงานปัญหาในครอบครัวเนี่ยมันจะไม่กดดันบีบคั้งจิตใจมาก <c oughs> เมื่อสักสีสิปีก่อนเนะี่ยมันมีในตนตำรวจท่านหนึ่งนะเป็นนตัวที่ซื่อสัตย์มากนะแต่ว่ามีความทุกข์มาก ไปหาหลวงพ่อชาถูกพักโทรที่ว่าหนองประพงศ์ไปหาเนี่ย <c oughs> ไปถึงก็ระบายนะว่ามีความทุกข์อย่างไรบ้างในที่ทำงนานนะเจ้านายก็ไม่ชอบเพื่อรงงานก็กันแกล้งนะเตะตัดขาเพราะว่าแกละกนซื่อสัตว์นะแต่ว่าเพื่อรงงานเนี่ยไม่พอใจที่เห็นแกอ่ไม่ไม่กินตามน้ำ น, นะ ทำงนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นนะแป็กอยู่กับที่ก็โบนก็ระาให้หลวงพ่อช้าฟังเนี่ยครึ่งชั่วโมงได้หลวงพ่อชา้าท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้พูดไม่ได้แน่อะไรรอให้ฟังจนกระทั่งนายตำรวจท่านนี้พูดจบพูดจบเสร็จก็ชี้ไปหลวงพ่อช้าก็ชี้ไปที่ ก้อนหินที่อยู่หน้ากุติท่านหินก้อนนั้นใหญ่เห็นหินก้อนนั้นไหมเห็นครับมันหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมแบกไม่ไหวครับเออไม่ไหวก็อย่าไปแบกมันนะ mm hmm. อพอพูดงี้เนี่ยนายตัวท่านได้สติเลยนะ mm hmm. ก็คือที่ไปทุกเพราะอะไรเพราะเป็นแบกนะปัญหาหินยังมีไว้แบกไหะ หินก็มีไว้ประดับใช่ไหมหินเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนเนี่ยถ้าไม่แบกนะมันก็ไม่ตักให้ทุกปัญหาต้เหมือนกันนะปัญหาเนี่ยไม่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยถ้าไม่แบกก็ไม่ทุกปัญหาไม่ได้มีไว้ให้กรุ่มนะปัญหาตา imply, มาา้ ora, าามีไว้แก้เคยรียนนะคำพูว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กรุ่มนะกรุ่มเพระละอกรุ่มเพราะแบกนะ เราใช้ปัเราเกี่ยวข้องปัญหาไม่ถูกต้องนะก็คือแบกมันแทนที่จะแก้มนะก็เลยกลุ้มนะเนี่ยเห็นถ้ารู้จักปล่อยวางเนี่ยนะเราก็จะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นนะเราจะมีเรอเราจะมีเร่เร ม, เรมีแรงเราจะมีกำลังวังชาเราจะมีกำลังสติปัญญาที่จะไปรับมือกับมันเพราะว่าเราได้พักก่อนเพราะเรารู้จักปล่อยวาง ถึงเวลากลับบ้านเราก็วางนะถึงเวลานอ น, นะอนนะเราก็วางนะอาบน้ำนะเราก็รับเอาความสดชื่นนะเต็มที่โดยที่ไม่ต้องไปปล่อยให้ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันปิดบังจิตใจไม่ให้สูมทรัพรับความสดชื่นจากกระแสน้ำนะที่มันใสยเย็นนอกจากการยอมรับการปล่อยวางแล้วเนี่ยการมองแง่บวกนี่ก็สาคัญนะ มองแง่บวกเนี่ยนะตมาพูดหมายความว่ารู้จักมองสิ่งดีๆที่มีอยู่บ้างอย่มองเห็นแต่สิ่งที่เป็นปัญหานะในชีวิตเราเนี่ยมันก็มีทั้งความทุกข์มันก็มีทั้งสุขด้วยนะถ้าเรามองเห็นแต่ทุกข์เนี่ยเราก็จะสุดแย่ทั้งที่ในชีวิตเราเนี่ยสุขอาจจะมากกว่าทุกข์แต่ถ้าเห็นแต่ทุกข์เนี่ยมันจะท้อแท้นะ เวลาเต็บป่วยเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ป่วยทั้งตัวนะมันก็มีแค่อวอย้ยวาบางส่วนที่เสียไปอาจจะเป็นตาตอาจจะเป็นกระเพาะแต่ว่าส่วนอื่นยังดีอยู่เมื่อวานนี้แตมก็ไปเยี่ยมคนคนป่วยมะเร็งนะที่โรงพยาบาลหลายคนเนี่ยก็เพียงแต่กระเพาะไม่ดีนะบางคนก็ปอดอาจจะไม่ดีแต่ตาเพืนก็ออยังมองเห็นได้ จมูกผูปากเขาก็ยังกินของอร่อยได้ฟังเสียงเพราะเขายังมีมือมีไม้ที่ทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะคนส่วนใหญ่เวลาป่วยเนี่ยก็ไปจดจ่ออยู่แต่ส่วนที่มันป่วยก็ทําให้สูญเยี่ยย่แต่ไม่ได้มองล้วเออเลยมีตาที่มองเห็นเรายังมีมือมีไม้ที่เดินไปไหนไมาไหนได้อยากไปเที่ยวไหนก็ไปกินอาหารก็ยังอร่อยอยู่ ถ้าหาควาสนใจตรงนี้บ้างเนี่ยไม่ทําให้เรามีความสดชื่นมีเเรี่ยวแรงในการดําเนินชีวิตได้อันนี้คือมองแง่บวกมองเนี่บวกคือการมองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็ไม่เด็กแล้วตอนที่ตอนที่เธอเกิดใหม่เธอเป็นโรคทรัสเซเมียนะเป็นโรคเลือดที่แรงมากหมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบปี เธอก็อยู่ได้มาอีกาปีนีง40แล้วมนะั้งร่างกายนี่แคร์แกรงตาโพลนะกระดูปออกปรอหกล้มนี่แขนหักขาหักใส่เฟอร์มาสิบกว่าครั้งแล้วนะแต่เธอเป็นคนที่มีความสุขคนก็สงสาว่าเธอมีความสุขแด้งไงเธอก็บอกว่าถึงแม้เลือดฉันจะแย่นะแต่ฉันที่มีตาเห็นสิ่งสวยงามนะฉันยังมีจมูกตัวกล่น้อม หูก็ฟังเสียงแพร่ร้องได้กินอาหารก็อร่อยเดินินไปไหนมา ไ, ไหนได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วสังเกตว่าเธอไม่สนใจเลือก ท, ที่เลือดที่ไม่ดีแต่เธอหันมาชื่นชมกับสิ่งดีดีที่เธอมีนะเพราะนั้นถึงแม้เธอยังป่วยแต่เธอก็มีความสุขใจนะเวลาสูญเสียงเงินทองไปเนี่ยบางทีเงินที่เราเสียเนี่ยถ้าเราไปตดจ่อยแต่เงินที่หายเราจะทุกข์ แต่ถ้าเราเันมาสนใจโอ้เรายังมีเงินที่ต้องเยอะนะมันเทียบไม่ได้เกับเงินน้อยนิดจิบจอยที่หายไปเมื่อปี53มเนี่ยนะมันมีมีการาจลาจลกลางกลุงใช่ไหมแล้วก็มีการเผานะย่านสุดการค้าหลายแห่งในกรุงเทพก็มีสุดที่ร้านดังชื่อหนึ่งร้านดังที่มีเครือข่ายทั่วประเทศเนี่ย ก็โดนเผาไปสี่ล้านนะเสียหายไปหลายสิบล้านเลยเนยผู้จัด ก, การก็ามาราย ง, งานให้ซ e o c ซ o นี่ก็เป็นเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ครอบครัวของท่านก็เป็นเจ้าของเครือขา่ายส ก, กีนี้ด้วยพอลูกน้องมาราย ง, งานว่าเนี่ยถูกเผาไปสี่สาขาเสียหายไปหลายสิบล้าน ถ้ไม่ได้เสียใจนะกลับพูดให้กำลังใจว่าเนี่ยให้แง่คิดว่าเนี่ยเราถูกเ้าสี่สาขานะแต่เราไม่ต้อง320สามรอยี่สิบนะผมแล้วคือจะเสียใจไปทําไมนาะเพราะที่เราอยู่เนี่ยก็สามสิบหกใช่ไมสา้ยสิบหนี่มันกี่มันกับสี่สาขาที่ถูกพ า, านี่มันต่างเยอะเลยนะคือถ้าถ้าจุดจอดไอซีร่ายที่ถูกพานะแกคงเสียใจโกรธนะ แต่ถ้าหากมองเป็นก็เพราะโวมันมีท้อง2 16ที่ยังเป็นปกติมองลบคือเห็นแต่สี่สาขาที่ถูกเผามองบวมคือเห็นไอ้2 16ที่มันยังมีอยู่ใช่ไหมคุณลองมาแบบนี้บ้งเสรยเวลาเงินถ่ายของหาย ร, รเวลาเจ็บป่วยนี่นะคุณจะทุกน้อยลงคุณจะยอมรับกับรีอยู่กับความสูญเสียได้ง่ายขึ้น มองแง่บวกยังมีความหมายือการมองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นได้แย่มันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะเจ็บป่วยก็มีข้อดีนะทาไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเจ็บป่วยก็มีข้อดีนะทำให้รู้ว่ามีเพื่อนๆที่รักเราแค่ไหนแต่ก่อนไม่รู้เลยนะว่าเราเป็นที่รักของเพื่อนนะแต่พอเราป่วยโ อ, โอ้มีเพื่อนมาเยี่ยมได้แย่เลยโอ้เพื้อมใจามากนะหลายคนบอกเออป่วยก็ดีเหมือนกันนะทาให้รู้ว่าเราเป็นที่รักของเพื่อน อตมาเธอไปเยี่ยมโรงพยาบาลนะแล้วก็ไปเจอคุณแม่คนหนึ่งนะเธอก็ยังอายุไม่มากอยู่ทั้ที่สามสิบได้ดูแลแม่ที่กำลังป่วยระยสุดท้ายที่โรงพยาบาลคุยไปคุยมาเนี่ยพยาบาลก็บอกว่าเนี่ยเธอเพิ่งแท้งลูกไปลูกเธออยูเจ็ดเดือนแท้งนะฮะับ คนซึ่งแม่กำเนิดตายแล้วเพิ่งเสียลูกไปเนี่ยลองซึ่งลองนึกดูสิว่าเขาตีเ ย, ยาะยำแย่แค่ไหนแต่ว่าปีนมันนี่แกไม่ได้มีสีหน้าเศร้าโศกอะไรมากเลยเวลาพูดถึงลูกที่เสียไปเนี่ยเธอก็มองว่าลูกเนี่ยเขาเห็นใจแม่นะหมายถึงลูกในท้องเนี่ยเห็นใจตัวเธอเพะว่าถ้าหากว่าต้องดูแลทั้งลูกด้วยแล้วก็ดูแลทั้งแม่ด้วยเนี่ยตัวเธอคงจะแย่ แม่เนี่ยคือลูกในท้องไอ้ลูกเนี่ยลูกในท้องเนี่ยคงเห็นใจแม่เกิดเนฝ่ายไปเพื่อเธอได้มีเวลามาทุ่มเทการดูแลแม่เพราะเธอมองแบบนี้นะว่าลูกเนี่ยเห็นใจแม่นะถึงไปเธอไม่ไดคิดว่าเป็นข้อกังแต่เธอคิดว่าเป็นความเป็นความปรารถนาดีของลูกในท้องนะที่ต้องการให้เธอเนี่ยได้มีเวลาโอกาสในการทุ่มเทดูแลแม่เต็มที่เนี่ย ก็เป็นการมองแง่บวกแบบแบบนึงนะแต่ถ้ามองไม่เป็นนัก็จะอสุขโหทําไมเราทํากรรมอะไรไปเนาะนะแม่ก็เหนื่อยตายแล้วยังเสียรูปอีกนะจะแย่เลยแต่เธอมองอีกแบบนึงนะซึ่งนัาประเสริฐมากที่ทำให้ทำให้เธอมีกําลังในการที่จ ะ, ะดูแลแม่แล้วก็สามารถจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวกุมใจอะไรมาก ในนี้พูดถึงเรื่องการรักษาใจปกติแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะก็รที่สอนคือรู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์นะอย่างที่อาตอมาบอกวไว้แล้วว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะทุกข์เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้มันในเรื่องนี้เนี่ยพระนันทียาก็พระพุทธเจ้าก็เคยสอนพระนันทิยาเอาไว้ พะนสิยานีมมสนากับพระโครีมายก็จะพูดไปแล้วเรื่องการปล่อยวางใช่ไหมว่าครูเจ้าเนี่ยสอนให้ปล่อยวางและพระนทิยาก็พูดต่อไปว่าผูดด้ใดรู้จกักหาประโยชน์จากอิทธารงและอนิถารงพระพุทธเจ้าสรารเสริญผููนะว่าเป็นบันติอิทธารงคืออิทธารมก็คือโลกธรรมายบัวกก็คือลาบดศสุขสรารเสริญอ น, นิถารมก็คือการเสรื่อมลาบเสื่มยศแล้วก็ทุบแล้วก็ ดินทาคนเราเนี่ยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบวกหรือลบเราต้องรู้จักหาประโยชน์นะอิฐทารมนะมีลาบมียศมีศุขแล้วก็สารเสริญเนี่ยถ้าเราใช้ไม่เป็นนะหรือไม่รู้จักใช้มันนะมาอะไรทาให้เราแย่กันก็ได้นะเช่นพอมีซักมากๆเนี่ยก็ประมาทนะหรือว่าเอาแต่เที่ยร์อต่เลนนะก็ทําให้เสียผู้เสียคน เรอติดเอหรือว่าป่วยวยโลกอพอเล่นพอกินเหล้ามากเนี่ยอาจจะเมาขับรถเกิดอุบัติเหตุก็ได้แต่ถ้ารู้จักใช้ประโยชน์จากอิฐารมณ์มีลาบมียอดมีสูมีมสรารเสพิก็เอามาใช้เพื่อพัฒนาตนหรือสร้างประโยชน์ใหกับผู้อื่นในตนองเดียวกันเมื่อเสื่อมลาบเสื่อมยศนะเจอทุกหรือว่าถูกนินทาก็รู้จักใช้ประโยชน์จากมัน ถ้าเราใชเประยชน์จากมันเนี่ยนะเราก็จะจะทําให้ชื่อเราเนี่ยจะเลยก่อน น, นะนะไม่ทุกกระทมความเจ็บป่วยเนี่ยนะเราสามารถจะฮับโยชดจากมันได้เยอะเลยถ้าอาจารพุทธะบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมาเกิดให้เราฉลาดนะหรือบางทีท่านก็สอนว่าเนี่ยป่วยทุกครั้งก็ให้ฉลาดทุกครั้งฉลาดเรื่องอะไรฉลาดเรื่องสํงาคัญ วความเจ็บป่วยเนี่ยมาเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราได้เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มวานเี่ยตอนเราก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยนะอย่างที่บอกนะผู้ป่วยนอกจากผู้ป่วยมาเร็งแล้วก็เจอไปคุยกับผู้ป่วยไตายวายมีคนนึงล้างตายมา14ปีอีกคนนึงล้างตายมา17ปีนะผิวพันธุ์นี่ก็เหมืนหมองนะหมายถึงว่าตัวก็ผ อ, อมนะ แต่ว่าเวลาคุยนี่นะคุณยายแกให้แง่คิดที่ดีมากแต่แตมาพรบร์เนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยนะมันสอนอะไรเราบ้างเธอก็ตอบว่าความเจ็บป่วยมันก็มาสอนให้เราเห็นนะว่ารูปน้ำไม่เที่ยง น, ยนะสังขารเป็นทุกข์นะแกตอบเองเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่รู้จักหาประโยชน์นะจากจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้น มันหาเนี่ยมันก็สอนเรานะว่าสอนอะไรนะสอนว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะถ้าเราไม่รู้จักเับประโยชน์จากเหตุการณ์เหล่านี้เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราพอมันเกิดขึ้นแล้เราลองดูเออมันสอนอะไรเรามันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างมันเตือนใจให้เราไม่ประมาทนะเวลาะจะวางของก็จะได้ระมัดระวังมากขึ้นนะมัน ม, มาสอนให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรทีเป็นของเราอย่างแท้จริง เมื่อปี54ก็มีน้ำท่วมใหญ่หลายคนก็เสียสูญเสียทรัพย์สมบติเป็นมากมายบางคนไม่ใช่แค่เสียเสียเงินเสียสบเสียทรัพย์สมกัตนแต่เสียจริตหรือว่าครอบครัวแตกแยกบางคนทำใจไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ก็มีหลายคนที่ไม่ได้ทุกข์ทรมานไปกับเหตุการณ์เหล่านี้มีคนหนงพูดว่าเนี่ยน้ำท่วม มันด้สอนให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยทุกอย่างมาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวถ้าคิดแบบนี้เนี่ยถือว่าได้กําไรนะถือว่าเป็นผู้ที่รู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์หรือจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนะและประโยชน์แบบนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ที่มีค่ามากเพราะว่ามันคือปัญญาปัญญาคือความเข้าใจในความจริงของชีวิตนะเมื่อถ้าเรามีปัญญาแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดคุ้มคุ้มกันความทุกข์ ต่อไปสูญเสียเงินทองอีกนะใจก็ไม่ถูกนะเพราะว่าใจเนี่ยนะไม่ได้ยิด ม, ดมนันถือมาตั้งแต่แรกว่ามันจะต้องเป็นของเราไปตลอดอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าคนเราเนี่ยนะต้องรู้จักหารประโยชน์จากความทุกและความทุกข์ก็มีประโยชน์นะที่สามารถจะช่วยทำให้เรานะเกิดสัจธรรม ถ้าเราอ่านศึกษาเรื่องราวของพระอาหารหันตาริยเจ้าหลายท่านเนี่ยเราจะพบเลยว่ท่านบรรลุธรรมได้เพราะท่านเจอความทุกข์อย่างนักปราชจารานะซึ่งสูญเสียที่แรกสูญเสียสามีกําลังก็สูญเสียลูกสองคนแล้วต่อไปก็สูญเสียพ่อสูญเสียแม่อีกนะตัวกระท่านเสียสติไปเลยนะแต่พอได้ฟังธรรมจากผู้เจ้าไม่กี่ประโยคเนี่ยนะ ก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหรือนางกิสากรตมีซึ่งเสียสูญเสียลูกนะลูกยังเล็กนะยอมรับไม่ได้ว่าลูกตายแล้วไปให้ใครต่อใครช่วยปลูกให้ฟื้นทุกคนก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วนางกิสากรตมีก็ไม่ยอมรับนะจนถ้ามีคนบอกว่าไปหาพระุทธเจ้าสิพพุทธเจ้าช่วยได้เธอก็ดีใจอุ้มศพลูกไปหาพระพุทธเจ้า พุทธเจ้า ก, ก็รู้ว่าสภาวะจิตของนางตอนนี้เนี่ยไม่พร้อมที่จะรับฟังธรรมะก็เลยบอกว่าเนี่ยพระคช่วยได้ถ้านางไปหาแม่ผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายนางก็ดีใจดีใจก็รุมสอบลูปไปเข้าไปในเมืองเชตวันไปถามใครต่อใครว่ามีแม่ผกาดไหมก็ตอบว่ามีกันทุกคนแต่พอถามว่ามีใครตายไหมที่บ้านเนี่ยนึกว่าจะมีบ้านสักบ้านที่ไม่มีคนตายเพราะว่าทุกบ้านทุกครอบครัวก็มีคนตายทั้งนั้น เจอหน่ยเจอหน่อยเนี่ยนางกษสากทธรรมิก็เริ่มยอมรับได้ว่าเธอไม่ได้สูญเสียคนเดียวคนอื่นก็สูญเสียด้วยความตายเป็นธรรมดาพอเธอยอมรับได้เนี่ยนะว่าความตายเป็นธรรมดาเนี่ยก็ยอมรับความจริงได้ว่าลูกตายแล้วนะความทุกข์มันก็หมดไปเลยนะความทุกข์ความเศร้าโศกก็ก็หมดไปเยอะเลยเอาลูกไปเผาที่สุสานเสียแล้วก็ไปหาพเจ้า านพระเจ้าแสดงธรรมเลยนะว่าเนียพูดสันส้นๆมีกี่ประโยคว่าเนี่ยว่ามรุตยูนะย่อมพัดพาผู้ที่ลงไหลในทรัพย์ในลูกหรือติดข้องในอารมณ์ต่างๆเหมือนกับน้ำป่าที่พัดพาเอาผู้ที่หลับไหลแปรฉนั้นพอพูท่านนี้เนี่ยนางกิสากรติมีซึ่งครึ่งศูนย์เสียลูกแล้วก็เจอความทุกข์มาหดหยดเนี่ยก็เข้าใจเลยนะเข้าใจกแับบ ซึ่งไปถึงใจเลยนะว่าไอ้สังขารเป็นทุกข์มากและความยิดมันถึงมันเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์เพราะต้องจะต้องเจอความพัดคลาดอย่างนี้ไม่พ้นพอพิจารณาตามเนี่ยนะปัญญาก็เกิดนะกลายเป็นพระโสดามตานขึ้นมาเลยคือถ้าไม่สูญเสียรูปนะก็ยังเป็นกุตุชนธรรมดาที่ยังหลงบนอยู่ในวัสาสงสารแต่พอเจอความสูญเสียเนี่ย คามสูญเสียนั่นเองทําให้นางเกิดปัญญานะจนบรรลุธรรมเป็นพระญาติเจ้าต่อหลังก็จะเป็นพระอระหันต์แล้วก็เพนทุกในที่สุดเนะื่องความทุกข์เนี่ยมันมีประโยชน์นะถ้าหากว่าเรารู้จักใช้อาจจะไม่ถึงกับเป็นประโยชน์มันไม่ใช่เป็นประโยชน์ถึงขั้นบรรลุธรรมอย่างเดียวนะมันสามารถจะเป็นประโยชน์ในระดับพื้นๆระดัต่ําๆได้นะอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักใช้มาหรือเปล่า ดูรนะู้จับหาเปนไหมนะซึ่งอันนี้เนี่ยจะว่าเป็นการมองแง่บวกก็ได้นะเพราะว่าการมองแง่บวกก็คือการที่เราจับหาประโยชน์จากสิ่ ง, งต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าพวเราเปชาวพุทธเนี่ยนะเราต้องฉลาดในการที่จะหาประโยชน์จากอนิจจาลมให้ได้นะคําต่อว่าดาทอก็เหมือนกันนะก็มีประโยชน์นะคำตำหนิติดเจก็มีประโยชนนะ์มีประโยชน์ทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยเราก็เห็น ข้อบพ in in ร่องตัวเราเองว่าควรประคองแก้ไขอย่างไรหรือถึงไม่เห็นเลยล่ะหรือถึงแม้ว่าคําตอบว่าดทอนั้นมันจะไม่มีสาระอะไรมีแต่คําตอบว่ามันก็ทําให้เราเห็นว่าเออคนคนนี้เนี่ยคนที่พูดแต่เขามีนิสัยใจคออย่างไรเราเห็นตัวตนของเขาตัวตนที่แท้จริงของเขาจากคําตอบว่าลัดทอนบางทีเราจะรู้จักใครสักคนเนี่ยเราไม่เราไมได้รู้จักจากคําชมนะคำชมนี่ไม่คำชมของเขาเนี่ย ไม่ทําให้เราเห็นตัวตนของเขาได้ดีทางการเห็นคําตอบว่าดาทอของเขามันทาให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนวินิจฉัยอย่างไรนเป็นคนที่ด่วนสรุปเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแครืปปะเราเห็นคนได้ง่ายเนี่ยจากคําตอบว่าดาทอของนี่ก็เป็นประโยชน์นะหรือมิฉนั้นก็เห็นได้เลยว่าเออเขากำลังสอนโลกธรรมให้กับเราเขาลองสอนเรื่องโลกธรรมแปลก หลวงพ่อทองรักนะท่านเป็นลูกศิษย์อาจารย์มั่นแล้วท่านเป็นพระที่ค่อนข้างจะโผงผางนะทาอะไรปแปลกๆนะแต่ว่าติดใจท่านเนี่ยของแพวมาเลยถึงแม้ท่านจะโผงผางบางทีญาตโยมไม่เข้าใจนะมีคนงท่านเป็นมิทธบ่ายแล้วก็มีโยมคนหนึ่งเนี่ยเขียนคําสนเทศบัตรสนเทศดอนสายบาทท่านท่านรู้เลยนะพอท่านมาถึงวัดนะท่านก็บอก พระเนนให้มาประชุมกันแล้วท่านก็ครองสังขารติดนะบอกว่ามาเร็วๆนะวันนี้เนี่ยได้อำริธรรมจากเทวดาเทวดาให้อำริธรรมมาแต่ช้าเลยเอาลูกเนเปิด เ, เปิดบาทเอาอ่านซิว่าอย่างไงเนก็อ่านนะพระผีบ้า <c oughs> เป็นพระเป็นเจ้านะแต่ประพฤติวัวไม่ดีข อ, อไป ขอเข้าชาวบ้านนะพระเลแบบนี้เนี่ยนะถึงแม้จะมีะถึงแมจะเดินดินบินบนได้เนี่ยก็ไม่นานักถือนะให้ออกไปจากวัดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะมีลูกกลักวามาฝากขนาดนี้เลยนะพอในอัดจบท่านก็บอกโอ้ดีแท้นะแต่ก่อนเนี่ยเคยได้ยินแต่คำว่าโลกธรรมว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เนี่ยวันเนี้ยเทวดาให้มาแสดงให้เห็นเลยว่าโลกธรรมมันเป็นยังไงนะเก็บเอาไว้เนิ่นเก็บไว้ใต้ฐานผ้าแล้วก็บูชานะเพราะว่าของดีหายยากเถอนะคือนอกจากท่านจะไม่โกรธ น, นะในคำต่อว่าดาทอที่เป็นมาสนเทศแล้วเนี่ยท่านยังรู้จักเอามาใช้ประโยชน์เอามาสอนเดเอามาสอนพระไว้นเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าโลกธรรมแปนะ อันนี้เลยเป็นผู้รู้จักใช้ประโยชน์นะจากความทุกข์นะแต่ไม่ได้เป็นเบี้ยเพื่อตัวเองเพราะท่านเนี่ยจิตใจท่านของแพ้วนะอาจารย์มั่นเนี่ยยกจ้องท่านว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพระที่หา ย, ยากเป็นพระ ด, ดีท่านไม่ได้ใช้ความบัตสมเทศนนะั่นเพื่อเของตัวท่านเองแต่ว่าเพื่อประโยชน์ผู้อื่นให้น้อยให้พระเนี่ยได้รู้ว่าจะจ ะ, ะเห็นว่านี่มันคือธรรมดาโลกอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าการรู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์ เอนะาประโยชน์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นซึ่งเรียกอยีกอย่ า, าอนธิธารุนะ่มให้พวกเราชาวพุทธเนี่ยต้องฉลาดนะในการที่จ ะ, ะรับมือนะกับความตื้เลดรับมือกับเหตุที่ไม่เป็นประสงค์เนี่ยนระักษาใจาไม่ให้ทุกข์และสองหาประโยชน์ามันให้ได้นะโดยประโยชน์ในทางธรรมจะ ท, แ, ทแบบนี้ได้ต้องมีสตินะต้องมีสติ แต่วความทุกเนี่ยนะมันมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักมันด้วยเหตุนี้เนี่ยนะอริยสัตข้อแรกเนี่ยอริสัตยสี่เนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมฮะทุกสิ่งทุย่างนี้ลดมาแล้วสิ่งที่พระเจ้าสอนว่าเราควรทําอย่างไรกับอริยสัตข้อแรกเนี่ยก็คือการกําหนดรู้นะถ้าใช้ว่าปริญญากําหนดรู้เนี่ยคือปริญญาคือรู้ทั่วทุกนี่นะมันมีประโยชน์ถ้าเราเห็นมันแต่ทุกเนี่ย มันจะย่ำแย่มันจะเป็นโทษถ้าเราเป็นมันนะทุกีไว้เห็นไม่ได้มีไวเป็นนะเวลามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเวลามีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นเนะี่ยถ้าเราเห็นมันเนี่ยอันนี้ดีแต่ถ้าเราเป็นมันเนี่ยนะอันนี้แย่นะถ้าเราเห็นความปวดนะนะมันช่วยเจริญสติได้ดีทีเดียวและใจก็ไม่ทุกข์ด้วยแต่ถ้าเราเป็นผู้ปวดเนี่ยเราจะทุกข์มากทุกเนี่ย นะมีไว้เห็นไม่ได้มีไว้เป็นนะทุกเนี่ยมีไว้ให้ใครครวญไม่ใช่ค่ําครวญ น, นะเวลาเป็นทุกยิ่งถ้าเรา่ําครวญนี่เราขาดทุนเลยนะแต่ถ้ารู้จักใคร่ครวญนีเราก็จะพบว่าโอ้นะมันสอนอะไรเราบ้างมันเตือนใจอะไรเราบ้างเมื่อเกิดขึ้นเกิดทุกขเวทนาขึ้นเราเห็นมันไม่เป็นมันนะอันเนี้ยในธรรมะเราเนี่ยสามารถจะยกจิต หรือความทุกข์กายป่วยใจไม่ป่วยได้แล้วถ้าเราทำไปบ่อยเนี่ยเราจะพบเลยว่ความสุขเนี่ยนะมันสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลานะผู้เ จ, จ้าจอดว่าแม้ประสบทุกขนะ์ผู้มีปัญญานะแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบ แม้เจ็บป่วยก็ยังมีความสุขแม้สูญเสียพัดพราดก็ยังมีความสุขเพราะความสุขเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงหรือรับรู้ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าใจาเราเนี่ยถูกจมปรับอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราจะไม่สามารถจะเห็นความสุขที่มันมีลรอกตัวได้เลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ถีว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแตมที่ใจนะ แต่ถ้าใจเราขุ่นมัวเพราะว่าถูกความทุกข์คร่องงำทัางความปวดความเี็บความเศร้าคล้องงำเนี่ยแล้วความสุขจะเข้าไปในจิตใจมันได้อย่างไรนะแต่เมื่อตามที่เราสามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ความทุกข์มาคร่องงำเนี่ยจิตเราก็จะเปิดรับความสุขได้เต็มที่เพียงแค่หายใจเข้าหายใจออกแล้วใส่ใจลงไปกับลมหายใจเนี่นะมันก็ทําให้เรามีความสุขได้ความสุขไม่ด้อยู่ไกลตัวแต่ความสุขที่ปลายจมูก ปลายจมูกนะเขาก็งานนะเขามันใกล้มากแต่ว่าปลายจมูกเนี่ยมันใกล้จนกระทั่เรามองไม่เห็นนะฮะปลายจมูกอยู่ใกล้แต่เรามองไม่เห็นก็เมื่อความสุขนะความสุขเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากมันอยู่ใกล้ใจเรามากแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นความสุขนะเห็นแต่ทุกข์นะนั้นอีกเกี่แล้วเนี่ยความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ปลายจมูกปลายจมูกในแง่าย่ว่ามอยู่ใกล้ตัวเรามากมันอยู่กับเราตลอดเวลา ถ้าว่าคุณตอนนี้เนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยควรจะรู้ว่านี่คือความสุขถ้าคุณยังมีตามองเห็นนะคุณยังมีหูได้ยินกินของอร่อยได้เนี่ยแสดงว่าคุณยังมีความสุขนะถ้าคุณยังสามารถจะเดินมาถึงที่นี่ได้เนี่ยก็คุณจะขอบคุณนะแล้วคุณจะตระหนักรู้ว่านี่คือความสุขเพราะลองคุณเป็นลองพื้นอัมพาตลองคุณเดินไม่ได้เนี่ยหรือนอนติดเตียงคุณจะรู้เลยว่า ให้การที่เดินได้เนี่ยมันมีความสุขแค่ไหนเพียงแค่เดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยคนแก่เนี่ยเพียงแค่เดินเข้าห้องน้าไปห้องน้าด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วนแต่เราไม่ค่อยตระหนักว่าเรามีความสุขที่ยังเดินเหินได้ที่ยังมีตามองเห็นที่ยังมีลิ้นลักรสที่อร่อยได้เพราะเรามองข้ามเพราะมันอยู่ใกล้เรามากเกินไปเหมือนสิ่งที่อยู่ปลายจมูก นะลองสังเกตให้ดูให้ดีนะเจ้าของความสุขอยู่กับเราตลอดเวลาและที่จริงเนี่ยมันอยู่ปลายจมูกในแง่ที่ว่าเพาีแค่คุณเอาใส่ใจประลมหายใจเนี่ยลมเมื่อกาวมันกระทบที่ปลายจมูกแล้วคุณรู้สึกถึงลมที่กระทบปลายจมูกเอาใจใส่ลงไปในลมหายใจเนี่ยคุณจะพบแล้วความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจได้ง่ายมากนะแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จะทําได้ก็ต่อเมื่อ เวลาเจอทุกแล้วเนี่ยนะคุณไม่ไปไม่ไปจมอยู่กับมันนะสามารถที่จะพาจิตผ่านมันไปไดนะ้ด้วยวิธีการสองประการนะคือรักษาใจให้ให้ให้เป็นปกติแล้วก็ถ้าผู้อยู่จากมันแล้วก็พอสมควรกับเวลาน ะ, อ, ะอาทิตย์หน้าก็จะเข้าพรษาแล้วนะก็ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ใช้ ประโยชน์จากโอกาสนี้ในการาพัฒนาจิตพัฒนาใจให้มีความสุขความสงบเย็ น, นมีธรร ม, มเเระเพื่อรสาษาใจแล้วก็ท้ายสุดนี้ขออ้างคุณพระสิ ร, ริธรรนัตไกรอำนวยโดยขอให้ทุท่านได้เจริญด้วยอายุวันนาสุขาภรณ์เพื่อเป็นเพราะปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทางศีลภวนาขอมีปัญญาพาเที่จากความทุกข์ ก้าวข้าอุปรสรรคทั้งปวงได้ด้วยสติด้วยปัญญาจนกระทั่งสามารถเข้าถึงความสุขเสร็จสารมีพระนิพพานและท่หมายด้วยค่ะทุกคนเทสานั้น